ทุกข์่าขอทุบเกถามขณะเวลาอารมณ์วิจัยธรรมะในพระพุทธศาสนาอยู่กับขณะอารมณ์ที่ไม่สนใจในพระพุทธศาสนานั้นมีรสชาติต่างกันอย่างไรบ้างตอบต่างกันเกือบมองไม่เห็นไปเสียเลยมีรสชาติของใจไร้ปัญญาไม่สว่างกระจ่างใจความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่มีปิติบวกเพิ่มคําสอนของพระองค์ ทั้งหลายแต่ละบทแต่ละบทก็เชื่อมโยงถึงกันไม่สนิทด้วยไม่ชัดด้วยและก็ทำให้เวลาของใจไปสนใจงานอื่นๆมากกว่าแต่ก็เป็นงานอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในทางอ้อมและก็เป็นงานส่วนรวมอยู่อันเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและก่อสร้างถ้าคิดให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็โยงกันกับงานปรมัดเพื่อพระนิพพานได้ และเมื่อคำหนึ่งไปมากก็หากรวมพลกันมาในเจตนาของใครของมันที่ตั้งไว้แต่ละกายของเจ้าตัวตามเจตนายี่สิบถามทำอะไรในทางที่ไม่ปีนเปลวศีลทำแล้วมีสติเพื่อประนิพานก็ใช้ได้ตอบใช้ได้ตามเจตนาของเจ้าตัวที่ผูขาตั้งไว้ก่อนเริ่มมาอุปสมบท ยี่สิบเดถามคำว่าทำทำหมายความว่าอย่างไรและหมายต่างกันหรือไม่และใครเป็นผู้รู้ธรรมเหนือเพื่อนและเมื่อไม่มีผู้รู้ธรรมมีและเมื่อไม่มีผู้รู้ธรรมมีอยู่ไหมตอบคำว่าทำหมายความว่ามีอยู่ทรงอยู่หมายต่างกันตามฐานะของธรรมเช่นธรรมปายโลกีก็มีหลายชั้นธรรมปายโลกุตระก็มีหลายชั้น และผู้รู้ธรรมเหนือใดใดทั้งปวงก็คือจำพวกที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อไม่มีท่านผู้รู้ธรรมเลยธรรมก็มีอยู่ทรงอยู่ตามธรรมชาติของธรรมอันเป็นฝ่ายสังขารและปีติสังขารสังขารเทียบได้กับบาบุญอันเป็นธรรมฝ่ายสังขารธรรมฝ่ายสังขารที่เป็นบุญที่เป็นโลกีไม้เอาลัดที่นอกพระพุทธศาสนาไปทั้งนั้นธรรมฝ่ายเป็นบุญแต่เป็นโลกุตระทางพระพุทธศาสนาไม้เอาสุปฏิปนโนไปจนถึงยายะ ส่วนทางบาปของโลกีเป็นบาปที่ต่ำช้าส่วนบาปทางโลกุตระปิดอบายภูมิทั้งสีแล้วเช่นบาปโสดาบันเป็นต้นสกรธาอนาคาเป็นบาปละเอียดเป็นลำดับเว้นอรหันต์22ถามการขอความเป็นธรรมนั้นชอบได้ยินบ่อยๆจากผู้ที่ได้รับทุกข์ใจและเข้าใจว่าฝ่ายหนึ่งทำกับตัวไม่เหมาะสมและคาว่าขอความเป็นธรรมนั้น จะขอจากทมในรัติใดศาสนาใดจึงจะพอเป็นประมาณได้ตอบต้องขอจากรัธิศาสนาพุทธแต่ต้องเป็นปาฏิที่ไม่มีอคติสี่ยีถามถ้าหาว่าผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วจะขอความเป็นธรรมจากประตูใดและขอกับท่านผู้ใดเล่าเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องพิสูจน และทุกวันนี้บรรดาท่านผู้ไม่มียางอายก็เห็นแก่กิเลสเป็นนายหน้าเสร็จแล้วเป็นส่วนมากเท่าที่มองเห็นการขอความเป็นธรรมเป็นหน้าสังเวชของท่านผู้ที่มีอำนาจน้อยเป็นส่วนมากคงเล็บเปิดส่วนท่านผู้ทรงอำนาจมากคงคงไม่ขอกับใครวงเล็ปิดผู้ทรงอำนาจมากแบ่งเป็นสองจำพวกทรงอำนาจ ด, ด้วยผลสิลผลธรรมของท่านนั้นเป็นพระอำนาจเยอกเย็นมีผู้เคารพรักทั้งต่อหน้าและรับหลัง ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อโรคอะไรเลยเทวดาในสวงสวรรค์และในผมโลกก็อนุโมทนาผลของกรรมดีก็ส่งเสริมบรรดาท่านผู้ทรงพระอำนาจตรงกันข้ามนั้นเราหมดหนทางแต่ก็ยังมีผลของกรรมฝ่ายชั่วเป็นสารยุติธรรมตามสนองอยู่จะเร็วหรือช้าเราก็ไม่ต้องสงสัยหรอกยี่สิบสามถามยี่สิบสามตอบ เมื่อขอความเป็นธรรมจากท่านผู้อื่นเป็นหลังฉากไม่สนิทได้แล้วเราก็ขอความเป็นธรรมจากเราแต่ต้นมือคือเราพยายามปฏิบัติทางบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ซะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจากท่านผู้อื่นที่มาเคยมาพาดเดาเพื่อให้เราเสื่อมเสียเราก็มีประตูแก้ไม่จนมุมเลยไม่ถึงกับนับสิบไม่ลุกทานิสงของเจตนาดีมีหลักประกันตัว ถ้าไปไม่รอดแท้ๆเราก็มอบให้กรรมเก่าอันเคยสนองกันมาแต่อจีตารมการจองเวรของเราก็ไม่กำเริบ24ถามถ้าใจไม่มีธรรมจะมีหรือไม่เพราะเหตุใดจงอธิบายให้สมตอบให้เข้าใจว่าใจเป็นนามธรรมประจําโลกนามอยู่แล้วแต่ไรๆมาส่วนธรรมที่เป็นปลายศีลสมาธิปัญญามรคนิพพานก็ดีก็มีประจําโลกและนอกโลกอยู่ไม่ขาดระยะระยะ ใจจะยอมยกสงขาวเข้าปฏิบัติธรรมหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของใจสังหาไม่เป็นเรื่องของทำฝ่ายบุญตลอดมรรคผลนิพพานจะมาประจบประแจงให้ใจเคารพและปฏิบัตินับถือแม้บาปอันเป็นทำฝ่ายลามกชั่วร้ายก็ไม่ได้มานิมนทร้องขอกับใจใดๆว่าผมเป็นทำฝ่ายเดือดร้อนในทางต่ําขอให้ใจเว้นผมเสียหรือเสพผมเสียทำฝ่ายบาปก็ไม่ได้มาขอร้องขอกับใจใดๆทั้งสิ้นแม้ทำฝ่ายบุญ ตลอดมาผลที่ผ่านก็เช่นกันดังกล่าวมาแล้วซ้ำซ้ำซากนั้นฉะนั้นจึงได้ใส่ชื่อว่าทำเป็นของกลางไม่มีท่านผู้ใดเป็นเจ้าของผู้สนใจมีหน้าที่รู้ได้ทั้งนั้นศึกษาได้ทั้งนั้นส่วนไปทางผิดนั้นให้ผลไปตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้นน้อยและมากเป็นประมาณและในทางดีให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุเป็นประการใดนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวผู้ปฏิบัติจะรู้เอง เอาจึงเป็นธรรมอันไม่หาพักหาสีงจิบเกลือเองเค็มหรือไม่เค็มเค็มน้อยหรือมากจงรู้เองไม่จำต้องเอาพักพวกมาตัดสินยี่สิบห้าถามเรื่องเจตนาของพระก็ดีของโยมก็ดีแต่ละท่านแต่ละคนก็ดีท่านผู้ใดทำอะไรก็ดีก็ต้องรู้จากเจตนาของตนทั้งนั้นเป็นส่วนมากแต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นทำให้การต่อสังคมนั้นมักจะเพี้ยนจากเจตนาของตนของตนเป็นส่วนมาก มักจะทิ้งความบวกพร่องให้กันตูมตามตูมตามเป็นส่วนมากส่วนท่านผู้ตรงกันส่วนท่านผู้ตรงกับเจตนาของตนยอมจำนนต่อ น, นั้นยังมีอยู่ประจำโลกและคงเป็นส่วนน้อยเขาโคกับขนที่เขาโคกับคนที่สุจริตขนโคกับคนทุจริตเมื่อเป็นดังนี้ถ้าจิตใจของชาวโลกห่างเหินจากพระพุทธศาสนาแล้วอนาคตเล่าจะบานหน้าไปทางเสื่อมหรือจเจริญเล่ายี่สิบห้าตอบ เสื่อมพลระเวงหิวโหยทะเลน้ำตาทะเลเวนทะเลไผ่ล้านเปอร์เซนเือขานสอะกแเขาอบกแนี่มัสอบไวแค่เนมันก็วมาเอาติดยดอย่เงีอันนี้มันเป็นตน้ำมันพวแง่หนิว่าแต่มันจะเคลนมาเร็มเอานี่หเดวมันหงดมาแตมันกเห็นเปอเนตงไปฮ่าแต่เย็นตัวนั้น่ะมันตามมาไมีมากเลยมัามมาไม่มากเน่าสัใล สราหมดเยสั่งัานมาแต่ยังั่งทมารถต่สั่นน้เลยนั่นแหลเรื่อตสอนงานนันมีคนเรืสั่งไม่ได้คนเร่เก็มันเก็บบางวัดแต่มันมันเดินบางรถบาวัดสัมันเข้ารวดเรื่องว่าไหม้นเข้ามาเนี่ก็เกิดมาจากแสมาจากที่เรนก็จะต้องหลงอาจากเกียิที่เรีก็เกิดเกิดเกิดจากเกียรติแต่หาคนให้ให้เกิดเกจากเก็ยร น้มีิคน้ยาามาจากไนนะแล้วคนร้องปุหันเนี่ย่นมีเล็กคนถูกชนิีงชนิมหันถ้า้มนิ่มมันมีเล็กคว่าอะไรเล็กจะจนิมสว่าคอะไรที่เล็กท้งาจะใจสักว่าโน้มามันถึงเรจุดใจเันจุดจุดใจอานีได้แ่เดี๋ยวมันีีเดีียังน่อยไปเขาใจเรใจก็จุดจุดในใจนะแ่อาะใจนตั้ อย่างใจเราทานยรนีมันยใจอัสสย่เล็บอัสสัยใจอัสสจถ้าบุญีิ่ข้ามเดี๋ยวบุญเราทานังน่กับอรบุญงกับหอดเจ้าพระอาณาคาีเนือพระอาณาคามีก็้ระบุนกอบุญบาปมากคือตั้งนานจไหา เขาไม่เก็บแน่บ mm? ุญเนี่ยบุญเนี่ยบุญมาอุ๊ปรมาต้องทำคหายปมัณครับอุ๊บุญเนี่ยอุ๊ปมาณเพื่อปักน้ำายเไ่านั้นมัาไม่เก็มแน่เหตุตลั๊กเขาบอกว่นไม่ให้อหสีรับน้ยเขาบอกว่ไม่ใหดแล้วมันทำาวกแหงเกิด้นหคือป่าอา่างนี้เหรอครับกระจายตวสั่งนีนีนองมาสอนอดกอืกระจายวาดมันก็เกี่ยวบ่า บางคนท่ำจะได้แหงตัลงยอาการมันจะคันล้วนๆนี่อารมณ์ัารมณ์อรมณเสียอารมณ์บวมขึ้นเรื่อยบมขึ้นเรื่อยๆท่านบอกว่ามันขาว เอาอย่งมันนำมันก็ได้เป็นไตกตันทีนี่คิดอาไรก็ตว่อมามันนามันไม่ตะกอนมันนาหมกเผามันไม่ตะกอนเด๋ยวทันทีสาย้วเอานำหมกรุปซุปสายก็เอานำหมกเผาหลังนานคิดใจห่างๆว่าใครจะนาหมกเผาไม่ตะกอนด้วยมห้องจะไม่เคยแก้ปกญหาเลยเลยเอานำเผาลังเลยเอาคนดีพลัง ก็จ่ากว่าร่างสก็แค่ร่างก็นีนะร่างที่ระล่วนที่รหล่วน่็มีคสีอันที่รล่วนก็มีคดีที่จะไล่ไหาก็มีคดีกับไปยึดถือเองท่านจะยึดหรือยึดเดินเดี๋ยวไปพันยี่านนมออมเดี๋ยไปที่เขื่ตรงตรงข้าดหนึ่งับ ไม่เอาไปนท่านเนาะ้าวันน uh> ี้ท่านฤทธิ์ี่ท่านทุกมั้ยนี่ท่านฤทธิ์นีท่านจุกมันยุกก็นี่ท่านฤทธิ์เลยนี่ท่านฤทธิ์คือประธานมหันต์ายทำนี่ก็ไม่ดีเลยนะนี่ท่านจุกก็ร้อนอย่างเี้ยล้วแล้ม่ดีเลยนะกไม่ต้องกันก็มสจถ้าปวดแต่ความมดรสจักรถ้าปวดแบบนี้ เมื่อเวลาเราทำสมบัตบางคนเห็นอย่างนี้ขั้นเอ็กี้ขั้นรู้กว่างานนี้ขั้นเด็กี้ขั้นอย่างนี้เะเยนี่อารมณ์พอใจบ้างนี่อารมณ์อะไรพอใจบ้างนี่ทำเด็เนี่ยก็ทำากลยนี่อารมณ์มันพอใจว่างไม่พอใจบ้างไม่ได้ก็ว่าอารควาใจมันบันมันมันมันมันมันมันมันมันมัน แล้วมันมีอารมณ์ที่พอใจได้มาพอใจได้อันนี้เรียกว่าเด่าวเจ็บอะไ้าก็ะเพาพระอรหันยินดีในข้าวัดนะมีผูทำเพถ้าผ้ใเจ้าใจน้ำอสันก็้อใจนั่ไหมผู้พอใจนํานนะเออเอาไปส่วตัวแต่ทีมี้ำสข้ามาส่นตัวส่วตัว้าผ้เ้าพอใจน้ำมอสันผู้พอใจก็ได้ิดไม่ต่างทีเดีย่ ใมข้อฉายครับยาแชมเแญกัสัตว์ชิงดาพาราซิตมันดีสาหรับเธอมันไม่ดีสาหรับนักปากมีไม้ข้อวางไม่พลาดคือเพรท่านเจเพราะทนตายว่านะโอ้ที่เจาะเพราเขาดูไมนบ้านว่านะซึเขายูก็ไม่านะว่าฉันไมาบอกเออม่มมีหัวคังหนังทันมีสว์ารือธรรมะส่วก็ถือก่านนะว่ามีไม้ค้อวาเป็นพอขังดูเนี่ยอาจะขังอะไรกับพวกไปกักที่เด็ อาห้รกับอาหารก็ไม่ก็มาเดียวครับอาหารกับแก้วก็คูกัจะเก่งอาหารกับแก้วคู่กะเกพวก็พอคับคู่วนมากคู่บวนมากวางเพื่อจำอไร พอเบาแล้วไม่แกะตามมาแล้วอันีพบาแล้วไม่าาแกะตามมาก้าไปนสายขันักอุ้มรูปไปอุปไปอุไปอไปมไปมันกหงี้อลั้นอีกไปอ๋มาดวตตลงตําลงตลงเนี่ย พระ่านี <hel <hel ่แกถามว่าขพราะอะไรแล้วนี่แกถามว่าเพราะอนี่แกถ่าเพราะอะไรมีบุญมีเรื่องเราหม้ถึงคนในผ่านซื้องือนว่านตอนนี้แต่กระชากมาถึงอะไรไปกินยุ่งแกห่างก็มเงว่าก็มเงว่านนั้นมัเพิ่มไปทั้งบุญแต่บุญวางมากว่างเองมันถ้ามันได้นมันก็จะมึงเงือนว่งนังฉันแน่นอนนั่นถ้ได้ี่มันจะเง่ว่านอีกต คนนงว่านถวาขั้วเกศกันหนาถ้้วผสมก็ไม่ขั้วปันเหนี่วอะไรเงี่ยวันคือต้องเขาองค์จ้าห้องสามมรรไม่มากจะไมีเกศกันนาเนี่ยเกศันาว่ามา่เป็นพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันรวมครูเหตุบ่บ้ามากเนีอกุ๊บจัว่าคนงว่านทเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะทั้งศาสนากับทั้งเหตุผลอย่างเนี่ยมัจะเรื่อปศาสนาหรือศาสนาอยู่ดีว่า คือเขาฝากมงเล่นนะเขาปัดชนะเรียนนลนซ้ำนะ อ, อย่าง้มันสนองปัดชนะคือกะดูนั่งซือจับตาดีแกหมดคือโหกันะคือเขาเล่นงานนะแต่ว่าปันะที่จะแข่งเซื้เขาก็ยังเง็ยเจับตายอะแล้วจะเป็นน้อนปัดชนะคือสร้างวอพิจิเขานะนั่นเขาบา่ปัดนะปาดนะให้อิ่มขนาด น, นึง ก, กับใบจะป่าบงรู แต่กำกอล่เนี่เตาสงสัยไดคนน่อยห้าสลาดร้ายร้าร้ายด่างนี่คือดาวพฤกษ์เกาถ้าเหตุผลสารร้ายพฤกษ์เก่าปดหัวสารร้ายร้ายด่างนั่นคืนนี้กเียดนหน้ายิ้ก็คืกเกียดันห่้าาที่เห็นี้กบเกลียดกันหนาวนเกิดนี้ก็เียดนา เกจตนาไม่ ja. สองโลเฮียเจต้าโลกุตระเจตนาโลกุตระเกจต้าเขาดีห้องเพื่อที่เอาจ้าระสัวดาวันเท่านั้นหลวงเพื่อที่เอาเจ้าสัก้าค่าเมีเท่านั้องเพื่อที่เอาเจ้อนา่าเีเทนั้นสามรุ่นนกกระตอในศาสนาที่คนหวังเตยเปิดเปิดโลข้าวเดียวโลแค่ตโต ถในพก็พุทธสวดดาวันที่เกิดอีกาสามาตร์นี่ยเกิดังไงครับพเกิดอีกศาตร์เดียวพอเกิดอีกแยกศาสตรก็เพราะบาลานีของพรเของ ม, มันอะไรพระสวดดาวันจักภาอนุนท้อนในพระสวดดาวันจะป่าวอะไรพระสวดดาวันแบบนี้เขาจะวาดเสน่หวัดถ้าใครซื้อว่าเอกที่พี่จะเกิดอีกศาสตนึ่งมันมนาเกิโตพระสวดดาวันนอตตัแเนียงสิคนในปัจจุบันศาสตร์ทเร คนกองรักาคนจีวันน่อยู่เนพ่อแม่ก็พ้อแม่พก็ิจารณ่จนกว่าหน้าข้านีเนี่ยนะับครั้งจะเกิดครั้งที่สองคุณจนถึงถ <vo> ึงันหน้าข่าหมืนกัพระราเหน้า้นี่แบบมีเอาสิ่มไม้วพราะหนาข้านี่เพระมเพราขมายับพระอัษาเราสามารถังเก็พราในปฏิบัน้ราบอยู่ นกนมสุดกระครางยุ้ยเพื่อัว่างพาไปนั่นเองพระพุทธเจ้าห้าเห่าเลยแล้วมาบวชเรว ล, ล่าสิก ข, ขากรดีเลยว่บวนจะยุ่งจนหดรัดตายกรณีนักสัตว์นักพบ ว, ว่าได้ได้ไดเคยสงสารนะนักสัตว์นักพบ ว, ว่ได้ได้บวช็นดูชีดาววัดมุ่งเห็นแต่ว่าเกิดมากนะัพกพบได้สัตว์ไหงแปลกมู้นี่ใช้พระพุทธเจ้า คณะป่าว่าคะเป็นพระยาป่าาสตราองค์เจ้าเป็นพะคอมูนเนี่ยเกิดสักเกินซากกันมันเป็นเป็นหัวนาเขาวางกันนเป็นผู้บาปของเขาอยู่องเจ้าเขาท่านตายชื่อหน้าต๊กคือกครนราาะโอ้ยปรจักวะหัวเสียก็เสียนเลี้ยอีฝอยแม่ แค่กับหนึ่งแคยังน้ำตาแค่เงี้ร้าสมมติเลยยกไปศาสตร์ะยุหนึง่งกับเดียวก็ อ, อะไรกับพัดกับเด็สิบอลายก่นเลยเนะผลการสบเทียวในวตรารศาสตร์เป็นตัวรู้เป็นอะไรอ่าเทเลยไม่เป็นหาปราชญานะท่มันงมันแต่อยังมันจังอินดีในการรับทุ ก, กว่าันก็เพราะมันเดผ่านทุกเด้ ทุกข์ก็สูงมันเกิดมากทุกขกันเน่ทุกข์เกิดลำดับแห้ทุกข์ทุกข์เกิดลำดับแห้งทุกข์่ะทุกขให้โลกดีคำนี้ทุกข์หรขอคำีทุกข์เนียเปลี่ยนทุกขมันหดอันนี้สองเปลี่ยนนี่ยทุกขให้โลกดีทุกขให้โลกเกิดก็มาไป็ทุกข์ทุกกันมันคือเนทุกข์มมก็คือทุกข์ไธรามันดับกิเด็ดแล้วนั่นมกนก็มาเป็นุกขมันก็มาเป็นทุกข์เลอยานมาในปัจจุบัน เดินไม่เฉงเลยมากอขา้วมปัจจุบัน น, น้าถึงเมากเขาล้พปัจจุบันเป็น น, า น, น, น, น้ามาล้วนบางบริั่นที่ใครได้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีสินไ ม, ม่นก็ไมีได้เขาไม่ได้ประกาศสลักตราบริษแน่ๆความเลืกทัึงสินก็เกิจะเป็นสมาธิอยู่ในตัวแล้ว เราศีลานุสติอันนี้ก็เราบรื่รนนองนศีลก็เป็นปัญญาอย่างเี้ส่วนแล้วปัญญาอนุสติอันนี้ก็เป็นปัญญาก็่เป็นปัญญ า, ญญามันแยกกันไปมันแยกไปได้มัน่เอาแยกแยก น, น, น, น, นั่งนั่งในิ้งยวสัตยังเสวากศีลสมารถเป็นปัญญาไม่ก็ว่ดเสือ ฉันทพุทธเจ้าพันย่างไปมึงมีชินสมารถที่พันยางเลยไม่สช่ยามนั่งหอกนี่ใช่ยามเหตุแหยืนยนุ่งหรอกสางวอสเงามพันว่ามวุ่นเ่าไม่ชินกะโตักันามพันเทพนี่คือรกกันอยู่ในะจุบตน ถือว่าญาณหนึงน่งจังไม่ชินสมาธิปัญญาเรยครบเอองเลย่นย เ, เนี่ยบก น, น, น, นี่มุ่งเรื่องมั่งน้อนมุ่าจักอะไรๆนี่ทครบเอืเอ้องดียวย่นเดี่บอกนน้จะห่อถึงจะเข้าสติัมมาโอ้ยุยาสติโยสัมไรชินกัยโยสัมน์สมาธิกัโยสัม น, น์ปัญญากัยสัมน ที่นี้ในปัจจุบันสมาตนนี้ปัจจุบันปัญญากยังเป็นปัจจุบันดมาธิเลิกถึงอดีตปัญญ์ชินสมาธิปัญญาอดีตจะลวงมานล้วล่วจากต่ปัญญาของเราสมาหลุดนปัจจุบันเพราะปัจจุบันเราดูได้ถึงแค่ดถึงอดีตแค่เราดูได้ถอัั้นก็เกิดผู้ปัจจันทนี่คืหาชินสมาธิปัญญาได้ มันใช้เป็หนหยาดเฮ็ุหาดท่ำย้อนกันก็ไม่ไดคิดดวงเดียวกับชาดกับสติปัญญาเนี่ยฮะทัวและึกถึงอดีตกับมันคิดดวงเดียวสมาธิปัญญาบ่มเกินกันย้อนสติจำการที่ทำและ ร, รมที่พูดแล้วไม่ไนานได้ปัญญาเราพู้ในกองสังขารจำไม่จริงอย่างไรท่ำเป็นที่พ้นของศูนได้ลย ทำมีลก็การละมากสองอย่างสติความเล็กได้ธรมชัน้นเนี้ยความนู้ตัวทำอันทาให้งามสองอย่างขันติความอดทนโสทจากความนึงมุคคลห้าระยะสองบุพการีบุคคลผู้ทาอการะก่อนกัตันดูกะตะเวทีบุคคลผู้รู้อการะที่ท่านทำไแล้วตอบแทน บุคคลห้าในยากสองงานในยากยังไงผู้ทำคว่ำดีให้กอนท่านผู้ที่ตอบบางที่ตอบประสมค์นะผู้ทำคว่ำดีหกอนก็มีบางที่ตอบเหนื อ, อผู้ทำดีหกอนก็มีแต่ว่าบุคคลห้าในยากสองแม้บางที่ประสบเลยก็มีบุคคลห้าในยากสองอย่างบุพาการดีบุคคลผู้ทำบุปการละก่อนกรตันยูกระเทยทีบุคคลผู้รู้บุพการณ์ละที่ท่านทำได้อะไรตอบแทน ผู้กค น, นพอตอบแทนนสัมผู้กคนตอบแทนหน่อยมันผู้คนพอตอบแทนหลายก็อันตรายเขาในก่อนจังหวัดปกครองบุคคลอาณาญาป้องยางหลยมันมาเสมอกันทาเป็นโรกบาลคุมครองโรกสองอย่า ง, วาา ง, องอาความละอายตาวาาความกลัวตาว้าความเสื่งมกลัวตาว้าถ้ามันมีความกลัวตาวาเสื่งมกลัวตาวา้วาก็ปกครองโรกมาอยู่ ติกะคือมาสามรัตะสามอย่างพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งหนึ่งท่านผู้สอนท่าปพระสงฆ์จนเราผู้ชอบเพื่อกายวาจายใจตามพระธรรมอะไรที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมผู้ปฏิบัติครอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสังคุลในพระธรตามด้วยพระสงค์อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างว่าเป็นสามบานทรงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้อย่างเห็นจริงทำทุกคนรลกคนเห็น ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังจะต้องตามมาเห็นจริงได้ทรงสั่งสอนไปอจัจฉริยนคือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่ความควา ม, ความปฏิบัติน้อยและมากมันมนนแปฏิบัติหน่อยก็ได้อยปฏิบัตินนตมากก็ได้หมดที่ผู้ไ ด, ได้เยอเลยพวกนี้ผู้ปฏิบัติต้อ ง, องคำสอนอยูทียาว เกิดเร่ยไร่ร้อนขอดหายมาเอาข้างขวาหลวงพ่อเจ้ามาบรได้รถหนึ่งมากพิจารณาจะเป็นเครื่องเย็นใจอยู่แน่นอนอื่นมากนะไม่ได้จะเอาใครเอาชนะไปตะเพื่อนๆนี่จะเพิ่มหอนเพิ่มใหม่ตอนถึงเพื่นไปผู้ปกครองเนื่ยส้างกระจางผู้่าเขาข้องโลกตามผู้เป็นหัวหน้าตำรวจทหารกระจาง ทุเป็นหัวหน้าเนตกระามแล้วลูกน้องกระตามขันว่าเอาท้ำพระพุทธเจ้ากันเวนดวงใจแล้วคุ้มกันบันิศตอนเขาเนื่อยน่ะตอนฝนตกห้ามขอเจ้าคนเย้า่ะแล้วน็ระถือตกปันม่รู้แ่ะโยกพักขันโอหางมังเขาโล่หอาคือจากหัวหลอก ถ้าขั่งนั่นยางนี่ยุวัตถือว่าศาสนาเคถือว่าศาสนาละสมัยตัวลามัยออกจากศาสนาพลนปะบอกตัวลามัยออกจากคุขึ้นข้อมดีผละ mm. ะมมนะบอกเอาชุมวิด้วยเอ้าขันพวกคนมีไปเขาก็ับพวกคนมีอมันบางโลวย่ น, นพวกคนทุกข์น้ำเอียงกับพวกคนทุกข์กัน ก็มีคนงานมันก็บ่าจะเล่นทางสนมัแตกเ่ยกันเอพคนรวยก็ต้องอาศัยคนทุกข์มันรวยมาจากใครมรวยมาจากคนทุกข์ว่างนจังนี่ถ้ามันผู้เดียวอยู่ในหลวมันจะรวยกับยังแสนก็ควบเก้าเนี่ยแต่าเล่ามน้นรือมันจะแย่ต่อองอะ ชาวพัทลงนี้จังเพราะว่าเสาังฉันนี่ก็โตขึ้นยวกะ็นเป็นวาก็มนี่เื่อนมากเยว่าจกปว่านีเ้ี่เกิกคเอาสามสูงตนั้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอีกดอรองอาั ก็หนางโนแมีโลช้มกบวิญาขาดเ้วางมางมันนี่ประยชน์นงกับว่าไขอแล้วทงโลกมันเป็นประโยชน์กับว่าไปยังข้ามันอยากไปสร้างโลกมันทำวัตถอยากไปสร้างโลกมันทำวัตถุ นะยังิแต่อะามไั่่แก็ยมิไปท้งลกท้งามโี่จะจท่ะามน้ม <bur> ันมันี่อ่างนก็ทั้งโลกษแต่วมันบเด็นงีว่ามันถีมีความสูกเนี่ยนะในโลกในใจโลกภาษาการรับรองว่ามันถมีความสุกแรน้มันกระมงมงไปแบบไงนะครั พี่อย่าหน้าซื้อหลวงพ่อถือว่างวะพระโบันไดมันติดซุกงอนวัดทัสมบัติซึงของชิมีพ่อจะกินในใส่สั้งๆตายท่านน่ะมันชิมีร้านบันไดกัพ่อจะกินในใส่สั้นตายท่นน่ะอท่านหง่อสันนยถ้าโมกเพื่อปฏิบัติให้เจ้าปฏิวัติปลแต่เกดหลวอพุทธโลอันไปยังคบอกว่าสันนิย่ามันมันก็มาหลวงพ่อมัสยาครูันท่านครูบันโท่านกลับไปขื้อเขา คือง่วนคือคือง่องนะกันดึงเสืยบว่าท่านมันกะรูไปเนี่ยกานดึงพระ่นมันก็ไปมันก็มาใช้ก่อนดึงเข้ามันเสียบพวกผู้มันก็ขาดไปรลุดเนี่ยมันว่ายแล้วเสียบกผู้คือยังคือสติปัญญาพ่ะท่านมันน่งนั่ง่ใส่นี้ท่านแทะมันก็ไปขั้ว้นนะทางไปก็ต้องมันห้อยไปพันไปอ่านยิบเนี่ยเพราะมันไปปยาด้วย แอืวไม่เป็นห่อสาหรามันไปน้ำก็ห่อเลยนึก ไ, ไี่มอเดียวดดปปด <c oughs> เดบพดเมดก็จะว่าอนไดก็บ่กท่านก็บ่กไว้ทอคิดด้วยกันไววทอกษตรคิดด้กันน่าขะมั่งทะนูเก่งปัญญ์ยืนยุ่สนุนที่แผงเลยอันเขายิงลูกน้ามาพร้อมกันครับได้บัดรพร้อมกันทั้งสี่แผงก็บ่กทอขณะจิตที่มันไปตัดเดียวเลเลยกันยืนยุสนนสี่แผง ท่นกันยิ่งมากท่านนี้กันยิ่งมากท่านนี้กันยิ่งมากที่ตัวตัวกันออกที่ใตที่เหนือยิงมากฟ้อมกันครับได้ลูกนากรยังว่าว่าเล้วท่อคณะคิดมันใสไปนี่หยอดของเทปเราเยอะนี้เร็วกขาลูกปืนคนเทปววเวอร์ไาน์เขาลูกปืนแหน่หอดอรุรอนคนเราเทียวนี้แหน่มาเราเยวนี้นั่นแหน่เพระาะว่าอันนี้จังอันลเอียด แน่ควายมุกเราคนม้าเราเยวนี่แน่อิอยังไรนะแน่ม้าเราแน่นไปหลาบวันนี่นะม่าหลายวันนี่แน่ไม่งั้นเปนจันอ่อนหรอเดือนกรกฎมันไปพืชไปพืชห่องขึ้นเห้มันงป้าสัตบาดมันยืนนี่มั้งจะไปไส่อะไสั่เพราะห่องเขาทำมาได้มากลกผู้มาเราเป็นป่าเาเนี่ว่าสั่เฮ้ยมันบัยูุคน้อยสั่ง เดี๋ยวจะโกมันก็ไปเทียบแสดงพ่อห้องแล้วมารับกับตับดดวจหรือ่าผู้อาวุคนเดื่น เ, เ น, ไไนีข้าวเชี่ยวมันไปเมื่อไรมันก็ไปอยู่เช่น น, นั้นแต่นเนี่ยกระแสเกสียรติชี้ซ้อาหารเขาตงอยู่เครือเที่ยวเนะี่ะความตึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกเหมอนั่นเลยค่ายนึกค่อยคิดอ่ะเป็นเครื่องสัญจรของโลกความเป็นเครื่องสัญจรของโลกเหมืนั่นเนะั่นแหะ จิตเดินนั้นเป็นโลกมันเป็นท่าเงาเข่ามูลของโลกเป็นท่าเงาเข่ามุ่นเข้ามุลของกองทุกข์อีกขึ้นกันนะพกไปพบไปเจอสุขเจอทุกข์กับแม่นันตัวแล้วไม่ไปพบสุขร้ายมันกับไปเห็นมันจะทุกข์มากขึ้นกันแหรอวันน่ะนั่นตองละมันก่อเห็นโทษเห็นโทษสุขโทษทุกข์ในวัฏฏะท่องสารในฟ้าในจะสิบเห็นในฟ้าในผ่านเยอะมันติตสุขจิตทุกข์อยู่ในวัฏฏะทงสารในใจของใครผูไปหรอในผ่าน เัราะไมบรรยัสวาสุเลยไม่ว่าท่าสงสารเลยพราะพะุทธเจ้าว่าด้บรรยัสวาสุก็เืีอหันเลเข้าบรรยัสเอาหันเลยแพระพุทธเจ้าว่ารุดทีที่ติแปผู้ย่อยับไปในคำวโกแน่ฉ้นเป็นผู้รุดเป็นผู้น่ว ย, ยับไปผูกขาดแล้วสีหันทุกซุกเสีมากจากประตูใดสักที่เข้าเข้าใจว่าทุกน้ำกินน้ำขีน้ำดันำนำนำนำนงน้ำนอนอันก็ซุกที่เ้าเค่อยจิเคยกสิ้นมาถ้าซื้อเข้าบรรยัสเอาพิดพิษถ้าซื้อยัดในทาง มยัญญติเนี่ยสร้างสมุดบัญญนฑตยัินยสร้รสรางพรมารยก่อนสร้างพรมารแล้วมันก็ไม่สูงจันไปไหในวัชรธมาลนั่นเจตเิ่งประเทศอินเดียเห็นบสหสักัดังวันพระองค์เจ้าตอ น, นนี้ใผภานนังหนึงไหางวยงวยขึ้นืนว่าสั่งนังหนึ่งใงวยข้นาสัน่นี้ใจมันสังเวชพระองค์เจ้าใช่ไหแต่ังเวชจะขวางน้องขึ้กัน แร่สวดมนต์นาท่านสุดไทขึ้นนั่นเม็ดใสมันรถแห้งมันปีตีมันแห้งนะความสู้ในโลวมันเห็นังจังวะถ้ามันเห็นพระอริยเจ้าสิควาสู้พระในน่ะพระพุทธพระอริยเจ้าสิตัดเพื่อนน่ะกันเห็นันรูมี่ตัวคนทากตัดข้อมเพิ่อนน่ะัดหวังอยู่ในหลวนยังตัดคมเพิ่นห่อยนั่นรู้มีเนี่ อพ่อแม่เข้าเกิดมาเนี่ยเพื่อนกว่าที่เอาให้ออกเรื่องออกไรยสั่นทีนึงงมดแต่พ่อแม่ให้ก็ได้แล้วเพื่อนไปใช้มด็ดอะไรอย่างนี้็ไมิออนส่อนนะเสรษฐีมีมังมุน <c oughs> แต่ในคนอสุกม า, าใช้สั่นอ๋อตกลงซึ่งแล้วเที่ยงเส้นันเป็นทุกข์ว่ากินขอน <c oughs> น้องขวางเมื่อลนร่ใช้สา่งเกิดนทุกข์กั ก็เทาบู้รู้เท่าปัญหาเท่าเท่ากระทาทุกข์ขืนที่ถ้าเท่ารู้ปัญเท่าปเญหาเท้าเทากติฟังทุกข์ขืนที่ใช้ผู้สร้างขึ้นแตจิตใจผู้สร้างขึ้นทุกนี้นก็ได้ถ้าจิตใจยังยึดถือว่าใจเป็นใจก็มันก็เป็นทุกข์ทั้งตัวใจมันกับผวงังนั่นเองธรรมะสันสูงถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจซือว่า ผูู้เป็นตนเป็นผู้หลยู่ิธทุกกระทูกระทิมาากของตัวได้สันเพราะในโลกมันมีแนวถือใจจักแนวพอสั่เนี่ยคันบ่ามีแนวถือใจจักแน่วฮานี่ิถือว่าใจเป็นตนเป็นใจในหันความสุขสมมาตรไยสั่น่บอกว่าหนีมันมันจังคิฆ่าวะั่มันกบฆ่าแล้วการกบฏฆ่ามันกบฏยอมมันคือกันแล้ววันเนี่มันกบฏยอมมันแค้เดียวมันยังว่ามันถือกุศอแค่เดียมันบฏยอมมันแตอนทแ่มันหลงอยู่เนี่ย มันก็ว่ามันสาราเ่ยวนี้จแค่มันหลงวานี่มันไหนมันถามมันบางคำมันดูเอาว่าสิ่งสิ่งไหนมันสมประสงใจไอ้ังมันยังทิ่เป็นสุขกันสิ่งไหนกับสมประสงใจแล้วเนี่ยมันที่เป็นสุขมันจะใช้สัเอนี่ยไปถามมึงดูนี่ไตโลกทานเนี่เมื่อพ่อผู้ได้มบเมื่อสมประสงเมธะบอกบ๊อบฟัดพ่อด้ ไปจขับ่าไะไไปถามตอบของน่นสมมรสงค์ระบบสมอเนีอ่เมืพ่อไม่รบะบไปถา ม, ป, มปู่ไปตอบปนูไปมันว่าพ่อเเห็นอะกรของสิ่งของสิ่งของที่มันมาเทียงเนี่เอามาเป็นสมบัติของมันที่พ่อที่ไหพ่อหาอันใดมาอันนี้กระุดไปพ่อหาใหญ่มากอันนี้นกระุดไปเชื่อว่าอย่างไรสมประสงไปในโลกอันนี้มันคืสมปสงค์จะแยกแ้วจะของแยกแล้วพุ่งลงจะข อ, ง, อนงนั่น ทำสีองละความหลงจะของนห่งมั่นองละมั่หลงจะของอะรมันตั้ต้มลยนายแบบเย็นๆเนี่ยตัวนายไดวัตถะสงสารนายวตถสงสารน่แต่ผูกข้อตายน่รามันนายด้หั่นเฉยว่าผูกข้อตายเองอยู่วัตถะัตจะพบบุหรืว่ากินยาตาเองที่ศาสตรจะควบบุขนเคลื่อนขาจะป้องตายมันประคนหลงเนีย ถูกแพ้คุ้มล้ได้อันถูกยกข้อเจ้าของตายถุกเอาพสติพระปัญาพุ่นมาคาบคว้มล้มทำมันตายหรอท่านมั่นจังสิพุนจากกิเลสเข้ามากิเลสก็คุ้มล้งเราเป็นแม่ทัพเขาหอสถานะคุ้มล้มในดยลพัการทั้งปวงสถาะกิเลสในดุลระนารทั้งปวงก็การเราสถานะกิเลสดยประการทั้งปวง้ระ ทานานี Campus ้พลาดนี้อสานาเก็บมองหาหนอพ pues ah ันตหาเย่เ็นอยู่แล้วใจมันมย่อมมันมย่อมเพิลงกับคลองนังว่าจะคลองสลาดอยู่ทนนัว่าจะคลองสลาดเกิดมาทุกมาเกิดมาแกมาเก็มาตายยังเเกิดมาเี้ยว่าอยากยังเถอะเกิดมาให้มันแกมันเก็มันตายยังเถนว่าจะคลองสลาดเนาะน่ย เจ้าของสอบบแก่เก็บตายว่าสอบตัวว่าสอบเกิดมาแก่มาแกบมาตายยังไงอ่ะเนาะนั่นผามประะุงผสมประถุงเจ้าของก่างูเจครับมันมันบดีตัวจะเกิดมาห้ยมันสมประสงค์งไงอ่ะเจ้าของยังบ้านรูถ่าเกิดบ้านรูท่าแก่บ้านรูถ่าเก็บบนรูทอาตาย ว่าท่านรู้เท่าโลกเลลลลลลลท่าขวเท่าลงที่จะของจ้าไหนมาโลกมาขวดมาลงยังไงขันรู้เท่าเหรอมันถืไปาษาม่ขันรู้เท่าอด้เดียยวงไงนั่นแต่ี่สกิเลตเป็นหนายนายุ่งเสเอาพอไปพระท่านผสมาเป็นหน่ายนา ย, ยาพพกระทำครูทำข้าวในน้ำหมดอยไปซะพะเทาพะเท่พระวุฒิดดเดียวไปซะสกิเลตไปว่าเอาไปเขาไปไปน้ำไอเพราะว่า นี่ไปนะแล้มาพูดระธรรมประสงค์ผมว่านี่เาไปในห้องอยู่ว่าชึ่งพักกันตัวกิเลสตั้งแต่ชิ่งพักกับพระพุทธศาสนาเนี่ยชิ่งพักเอาจิตเอใจไปชึ่งพักในข่มหลงในข่มหลงไม่มีอำนาจพระพุทธเจ้าผู้คนลวงไปผู้คนผลจะข่มหลงไปข่มหลงเพไม่มีอนาจเนี่ย น, นี่ปัญญาเนี่ยแล้วข่มหลง่า ปัญญาเนื้อวนลไ้ไประคบล้สียมาจ้าพวกตัวไดอ๋องนั่งชีนสมาทิไมไปรวบนี่ก็ปัญญาเป็นเมื่องถึงของปัญญาว่าีสมาธินี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระไตรปิฎกก็กดีนากกว่าไปห่วมก็เป็นยอดพระไตรปิกกับยอดของสติปัญญาเนี่ยยอด พ, พัดกันใจพิรกล่ะ แต่เมื่อชือว่าธรรมะขันก็มาร่วมค้นกั น, น, นดูครับพระมหาสติพระมหาปัญญาขอแตกต่างย่างต่ยางมีคนที่ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ในคนมีนียาอนมท้ไม่ได้นยาน้ีเดียขน คือเน pues so we like, ี boy, it, yeah, right? like ่ยม so we like, ันขึ้นนอะมันว่าเป็นสั้นมันมันมันว่าม่งานถือเฮ็ดเป็นมดงานแล้วเนมันเว้นเพราะว่ากูจะไปเฮ็ดงานอันนั้นกูจะไปเฮ็ดงานอันนี้กูจะไปเท็ขอวัดอันนั้นกูจะไปเ็ขอวัดอันนี้เพราะว่ามันเปไปสั้นรอาน่ยมันขึ้นมันมันมันมันเหมดอนบดหลังถือเฮ็ดงานแล้วมันว่ามงานจะก็เกะเกะงานแต่บางคนย่างมือเศ้ามันก็ว่าไปนั่นเป็นสันรอวมีงานจะุกจิกจิเว้น ยัก็ทั้งเวลากูจะเปลี่ยนอันน้นเข้ากันเลยมึงไรงดือดมึงมึเรือดมึงเอเข้าันี้เป็นอันเดียอืมจม่ันเดียะเปลี่ยนทามดาเลยครับอันนี้ก็ได้พอมจุกุกฟิฟแล้วเนวเว้งานงานมร้ายแต่เราแห้งงที่ใคมาเห็ดก็ได้งานก็ได้ ทำธราทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีสุขไปนี่บาปต่อไปให้ทุกในปัจจุบันจะมีสุขไปนี่บาปต่อไปมีไม้ก็มาขอวัดปฏิบัติมันเห็นยามีสุขไปนี่บาปต่อไปทำสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกไปนบาปต่อไปให้ทุกในปัจจุบัน่ะคือการขาดรักทรัพเพราะพิจิติในการเดี๋ยวให้ทุกในปัจจุบันคือการรักกี่รักคนให้ทุกในปัจจุบันและไม่ทุกไปนบาปต่อไปให้ทุกในปัจจุบันและม่สุขไปนี่บาปต่อไป คือไฮทุกในเวลาปฏิบัติเสียงธรรมเนี่ยมันก็ไม่ทุกได้ไฮทุกไปในบาตต่อไปให้ทุกในปัจจุบันและไม่ทุกไปในบาตต่อไปคือการทำก็ถือว่าเป็นของสนุกสุกสบายนะเราได้สานนามทาบุญอะไรเราได้ทําเรบความผิดเครื่องได้หฮทุกในปัจจุบันแล้วไม่ทุกทุกไปในบาตต่อไป เราทำอวามวัตถุรอันนี้กระไรทำด้วยนะได้ใจดีว่าได้ฝึดใจเครื่องให้ดทุกในปัจจุบันนั้นแหละงานที่เราทำนั่นก็บเป็นโทษด้วยเราก็พอใจทำด้วยด้ยให้สุกในปัจจุบัน้ไม่ซุกไปในบาปตอไปใหุ้กในปัจจุบันท่านแลวไม่ทุกไปในบาปต่ไปอันนี้อเนื้เงี้ยเขเราว่ายาเขาบอกว่ามันซุกใะปัจจุบันทีว่าทางไางไหน เขาเสพแม่ทุนมันเขาคว้าเขาก็สุกนัจจุบั้นใช่ไหมนะสันเอา um ให้ลูกเขาแตะออกมาเขาให้ทุกเป็นไมหปากต่อไปเนี่ยท่ว่าเนี่ยสันนั่นเขาเสียเงินเสียทรัพย์เขาก็ไม่ทุกเป็นไม่ปากต่อไปเนี่ยที่ว่าเนี่ยเขากินเราเขาว่าเขาซุกละอ๋อเขาสันกายกันด้มึงจะพูดให้ก like like right. ูพ uh ูดค an> uh ้อนเพราะว่าม uh totally ึงพูดพ่ดีเพราะว่ามัดซุกเมาเรามาาเรากินจนเน้่ยว่ากาวาซุกนะกินกินจนเนี่อัน ยิ้นจนได้ขอน้ำเกลือเครืค่องักลุยอ่ะว <c oughs> ่านยิ้นจนได้ขอน้ำเกลือว่านโซโหเมียเคียงมาก่ะเงินกระมัดอะไรกระมัดต่างงานกระมัดกำลังก็ ะ, กะมดัด น, น, นั่นหายทุกไปในบาตรตาไปนะเห็นไหมไอุ้บในปัจจุบันเอาฮะเนี่ยได้ทุกปไปนในบาตรอาไปมายกใส่แล้วยกหลานเท่าลูกเท่า น, นี้แหะบักลุยก็เมีย ไปนั่งเด่นบบกยน้อนทอนเอาขากายกันก็เมียคดสมารเสร็จก็เมียคดสมาร้ขากลยกันังเฉยแตันเสียงเง่อนมาลงเือเป็นฟักทุกข์กันาหาเงินนมาแล้วได้ทุกเแล้ยในทุกเนี้ปัจจุบันแล้วทุกไปในบากต่อไปเยู่สูงย่งนี้เลยแก่หมดหันคนาโคหลังเงินั่น ทำสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและไม่สุขไปนในบาปต่อไปการทําดีก็พ่อใจท่ำลาเรื่องบันเทิงไกลการทําดีเวลามาหายพ้นมันจะหายพ้ น, นไม่สุขปัจจุบันและไม่สุขไปนในบาปต่อไปมันหายพ้นเป็นสุขหนอ่อยที่พ่อใจทําออ้ยังหนึ่งเ่พ่อใจพอท่ำหายหลวงปู่มันตักแน่อ ทำเก้าอี้ให้เพิ่นเน่ย๊ยจะมันพ้อยใจบ่สุขพอใจเ้ยพราทั้งอยากได้นากระปนนบบั้นมันต่างเปเงียปงเงียบบ่สุขพอใจเพื่อนอิจารย์มาหาก็มาซอยนั่นเนาะโตโตนละนอนก็พ่หลับนันเนาะ่นี้วันมันตกิดเก้าอี้ขึ้นมานั น, นี้มันยังหลบ ป, ปูวมหา ตั้งนาเสียมาด้านมาด้านเขาก็ยัดขึ้นของเก่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับขน่อยถ้าให้อันเก้าอี้ให้รับผู้มันเนี่ยรับบริวานี่ยเพิ่มสิงามเจ้าพ่ศพนั่นเพิ่นเพิ่นจะห้องใสวันเถอะเพิ่นจะห้องใสแล้วมันจังว่าอันผู้แท้นมาประสมกันอยู่นีว่ารับธรรสีมาประสมกันอยู่นีบะเพิ่นจะไปหันวันเถอะยัดอันนี้ใสใสเพิ่นแม่เออหน่ะ ่มันได้ฮะนี่เราคนเูืเดียวมันสมัยเฮ็ดทานขีแล้วอันตายมันแท้วะสันกะว่าให้เขาวะได้ฮะนี่อันนี้สงกอบขีร่รงปูนนี่วะสันพ่อแม่ผู้จารจะเห็นอยู่นะสันเพลินไปนะเอือรบานนี่นัน่งสงกรอกขี่ร้องปูมันนี้วาสันนะนั่นแคนเป็นจริงนะโมมีแต่อันนี้สอง อ, อันนี้อันนี้สงพระพุทธพทัทธมประสง ของม้ UND ของเผื่อนของงานของงบ อ, อันนั้นมันมีอยู่เนี่ยอันส่วนพิเศษท้องถิ่นไปบวกนรกเอาว่าบนวันนี้เราว่าอันส่วนพิเศษท้องถิ่นมันไปบวก่างนรกมันก็ต้องมีไหมพิเศษท้องถิ่ไปบวกมันเสมากยังไดนสั่งไม่นั่งสั่ส่วนคุณขอูพระพทธรรมประสงค์คุณควาอาจารคุณโมูคุเพื่อนมันแม่เอานี่อันนั้นเมื่อกระังพิเศษนี่พิเศษท้องถิไปบวกแล้วไหมเมื่อพิเศษทองพิเศษท้องถ่ไปบวกมันสได้ก็คือเขาตีของค์เจ้าน่ะา พอจ้าหอว่าเอฮคือภู菩萨มทาลดว่าัาง่ทูคูกว่าโดยําเอียงลยโดลเอียงผู้คากง่างโ่เอินเอฮือูมัทธาว่าท่านต้องมาเป็นผู้สูเถิดบริคันก็มาสวมรหดหัวกะโรดโลดเลมันว่าไปให้ท่านนวาั่มูตัก็ค่อยได้ท่านบริคันแปลว่ก็พระเจ้าองค์กรเทาก็เลยบอะไเรียกมาอะสั่ต้องอาศัยกุศลเพี้นท่านองมูตัสักวัน้มึงจะคอยเรียกได้อะไรั่ง คนบอกาจารย์ไอ้สองชิ้นชาติของมู้โตมาแต่ศาตรกรัก น, นๆๆเนี่ยเลยามูโตก็ได้สั่งไว้มันสท่ไนี้เขาที่อยกจะปา ก, ากปาๆๆาที่มันกรมาเอาอาจนเสีนั่นนั่นนั่นนั่นมู้โตฟังเสียงช่างท่าเข้าใจความหมายของเ้ากันเถอะเข้าอาศัยระไนีของมู้โตที่เคยอบรมมาแต่พวกทีเจ้าศาตรกรได้เลยา วแม้นอำา น, นาจคนเดียวเพนว่าเขาเดีั่งหวเจ้า่นไปใช่หครับหนไม่มวันไปอย่างเช่นเอาอันทำหมอกข้าล่ า, ารุมาป็นสาวกบักงไซบงขวาวาสันค น, นว่าปาพทธิยามหานามาอาามมนนาัอมปฏิมนได้บวช่างเพว่าี่เ้นลำเพ่นว่าสันฉันบกอกอกม า, า, าสันสมาครเครื่องอียางานมันนอกปรนเัศนั่นเองสันก็นนวนพวกนี้ปรารถนาสาวกบักงบังขวามาเตพักขงพระเจ้านอกมาสัตตีนัน เทาก็ห้ตามขอมปัตนะขจกันแล้วเว้ยไม่เทาจกันไห้ก็ไม่ได้ว้ยสัันเท่าก็ไฮก็ได้เทาก็ร้อยนำร่มบักบักมาน้ำรมได้เท่าก็ได้เว้าัม่เท่าจะกันไหวก็ไ่ได้วยสังเพราะว่าชนะเจอกางมาแล้วเนี่ยมันกับมันกับข้าด้วยกันชิว่านไงเนี่ยไมารอกที่อยู่าคนหนงเหร เขาสบายใจเป็นตัวบ like ุญของแมวันน้่เาจเอาไปด้ายรีย like ่าก็สบายวกปองดาเขากว่าบุญบุเขาไปนังสังกบิ้แล้วกระมวของบรนดาบุญมดเืียดไว้บนรบุญมดเที บรรมัตบุตรมือถ sh ือเนี่ยมันเป็นความเป็นแบบแต่บรรยัตเราบุนด้วย มึงเขาผิงเขาแล้วเชนมาบอกไงพวนักปฏิบิคุกตูเขาหามเยี่ยมไ่ได้มากเหยนคนอันอันค่าโศกว่าอยาบ้านนักเทียพว่าสันเพาสันยงผู้ไปสวรรค์เป็นยังก็มมาบอกว่าสันจังว่าเจ้า้กินเขาก็ปาเขาไงนั่นเจ้ารเชษเอนบ้านเอ็นเมื่อเมื่มากินน้ำหมอว่าสันยังโมั่เอาหยาบเอาหยาบจะใหกัน จเจ้าไปตกอยู่ล้มพูดล้มพูดคนเจ้าขึ้นเมื่อไรเจ้าถือว่าบอกยังไงวัฒนวุฒิพวกตกหมดหกพวกไปสวรรค์นั่นได้สนุกลุกสบายนะเจ้าจะขึ้นไปบอกยังไงพวกตกอยู่ล้มพูดคนเจ้ากินปลาข่อยง่าจับมีกันได้ไร่จะไปแจกไปจ้ายเพื่อนใส่วัฒนวัฒนวอฒิจะขึ้นม า, มาบอ ก, ก ย, กกกกกยังไงมั น, นว่ากลุ่มค้าขคลนมากขึ้นมากยัง มาบอกได้เขากระชืเปืือยเดี๋ยวขหมข้างลามาบอกเ้อะขข้า่าหอไดก็บเขากระเช้าบางเพรเช้อบางผู้กำลัก้าวหะขมงข้างล่าไปเห็นบังสอนไปเห็นหน้รกมาบอกคนอยู่ผู้เช้อกับเช้าผู้ว่เ้าผู้เสีตายที่กาะนั่นคือไม่จำเป็นเชื่อเพื่อแต่เพราะกํามของมันไม่อยู่มันตะบอดนี่กูสอนเข็มได้แล้วัช่ไหมที่ไปเชื่อเปล่แต่เข็มมันกับว่าของจานต่างออก นี่แล้วไม่แยงน้ํารอกปจจุบัดน้าก็พ่งเคยเห็นนะเคยเเห็นเคยเห็นตึกระตาพท่นบอดสิครันี่แล้วพิ่เคยเห็นท่านเห็นึตกระตาพทนบอดกหมือนน้จอบได้วชมาจะกาหนดว่าจะสอบได้หรือเปล่าพวกเก่าอะไรนีแล้วเคยเห็นมาตตาดีนแต่บวมาจ่าะสัทที่ตบอดจะคาสั่งนะ ต่ตาดีมัน่เคยเห็นสางหรู้แต่บอแล้วมันไม่เคยเห็นสางคือฝอยมันไม่เคยเห็นฝอยตัวมันยังียได้สับตุบ้างแต่หูนว่ากบานกระดั่นองงันี้เวลาไม่มีอะีรให้การผ่าตานี้ที่ีอการผ่าตัตามนี้เพระจาารว่ามั่ีเกิด นี่การต่อส้เขาไปข่าเขาเขาตงกรรมอะไรางเขามีบาปกรรมนี่ยากรรมามีหลายนี่ขามีหลายามีล่จะฆ่าทางหลายเจอขันมาต่ำใหญ่สมมติว่าเข้าเป็นฐานพระบรมรักสวลังเสเนาะข้าว่าเียดเบียนเพื่อนกดมันเทียนบาสเฮ็ดห้เข้าเฮ็ดใทางที่เขาก็ให้ตามกดมนเทียนบาสมันเถะแต่เขาก็ได้รับทุกมั่นแลาวนักฆ่าทบาปนัก่าบาปหลาย ก็หลายตออยายกันเลยคือบรรดาวจะเข้าเอาเนาะค่อ ย, ดย ไ, ได้ยินยตัวตพัวตะพัวอันเนาะมันได้ยินหมดตระพัวน่มัอุดรไงพระอควอนมาขารัฐบาลอาควอนมาขารัฐบาลจี่หกยางที่ที่บาพนักโพดคนันมันปล้นหลายหาปีหกปีอร า, านึงเี้ าการงทหาร น, หนันับปีหกีสิบปีะไ า, า, ารอย่าาใช่ไหมเป็นมลทนมลทอนก็บักบักซี้จันเนะ่กับน้องบักน้องบักซี้จันทุกวันเดือนนี่มันกักกี่ตัวจไไักริ่มบักซีก้จันบักซีจัมเขาไปเห็นบ้านเห็ดเรื่องว่าในระบทหารมาวันหันข้างไปไปปมรถไฟน้องบักซีก้จัมน้องบักซีก้จันเขาไปทุ่มมาแล้ว มันก็รัฐบาลจา้าคุนเทศาจา้าของเงินหลวงจ้าคนละสิบบาท้องคนธนาคาะแต่แห้เหาะเมื่อแล้วน้าหามแห้อยากยำสื่อให้กินค้อนแะ่แห่ถือถือถือถื อ, ถ อ, ถอไปเห็ดประจานให้คนเห็นเพื่อให้คนเค็ดหลับเท น, น้แฮทุกสายสมควรเลย เอาไปอออาาลแล่มานเสีเหมืกับผูกสรักผูกสรักเอาเมื่อไหร่พลังผูกสลักผูกสรัจะดีครับผูกแค่วผูกขามผูกจนกตูโตม่มให้มัมนตีงได้ผลไปทั้ข้อทำม น, นมันจะจะทมัย น, นมออยังเป่าเด่ยผลข้อผนออกจากรักพ่อข้อ บากที่นาบากานั่นนุ่งเสื้อแดงเลยนุ่งเสื้อแดงทรงแดงฝนเ ข, ข, ขามาไล่ดับเขามาตัดตับ่อขาดบากรุ่นมาอีกตดขาดอีกสองบากรแสดงวพูฟุลสิบบาทนีสิบาทเงินยนังยู่งว่ยู่มา่าบากั่นจับตายใส่บา ก, าา ก, ร, าบา ก, กร้อนนี่ตาพว่าตะพว่เพวกนั้พูกพวกฟันข้อขางที่หนึง ครั้งที่สองมันแบักหนั่นครับกระจายไซบอรชครับบอกเห็นพอสองข้ามเอ็นโดรจีนมาข้างจากขันมากห่างจากลักข้อมากคือเพียประมาณยี่สิบปีมาจากครับมาเยอะเยอะสองข้ามเอ็นโดรจีนจากสองข้ามเอ็นโดรจีนขึ้น่อนหา เลหาอันน้องพัชอะไรเจ้าจหมันจะตีอ๋อน้องอะไร้องขุนพันที่ลอยเจ้าจะหาได้เพียนสามผู้ครองอืัน้าจมีกหาเรืองเก่าแลครับอะไรนะเนอะจ้างมาเดินออมาชิบเก่าปีมาชิบเก่าปีบอนับจากหันมาหันไหมมาจากมันขามาหันแหมมันขามันราชการที่หกมันขา แปดสิบสองเนาะเออสอาพันี่กตะโตสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองหันแล้มันสองพันสี่ลยแปบสองหันและมันตายแล้วลูกระเบิดเขาชี้เขมือมาเนี่เอารัช ก, การที่หกเอามาตายสองพันสี่สี่ร้อยแปดแปดสิบสองหัเอแปดแดสบสองรการของมีประมาณสองพัส้อยิบสอฮะรัชการขอ ตนนายตายแม่สางันสี่ร้อยพวกิดถอยหายคิดชวนผมมันยังตด้านมาจากขหันมาหันจากขันมาหานัน่ะลองขั้นจากรัฐการที่หกมาหันละจากรัฐการที่หกมาหันละมากสองพันมากเอาสงครามอินโดจีนอะตายข้างในเ่าขนนอนอยู่เราขนนอนอยู่เดินบ้าเรายูผมลราไฟโยนต้องบวชละโยนสุดท้ายนีน ห, ห, หน้องบวชมีห่มม่วงห่มหนึงมันย่ามหนาวนอนพางไฟอยู่ ไฟาไฟกับพราหินเนี sangre, ่ยมันง่ามหนาวเนี่ยเชื่องินก็มาเถิดเถิดเมาเซ่นนันเซนนี่เซ่นนั้นถิมนำไฟได้เครืงบินน่ยใส่มงมองมาได้ถิมก็มาถิมน้ำมันกับลูกกับไม่ใหญ่ได้จ้เ้ากระป๋อง่อยถือตัวหัวเรานี่ละขาดเว้ยได้พระป่าเนี่ยกทัพเอาไว้เลยเอาเว้ของเราในขาบสี่จังนะกับบักนั่นก็เป็นโทษเอาชักคักเนี่ยะ วา่าบักคาบักซิจันบักเพิ น, นจังซืชิบาทเฮ้ยนะพูดหนึงแต่หามไปรสิมให้กองนายเล่เอาศบไปทิ้งซะแล้วก็วันนี้ก็หยุดงานไว้แค่ตัว12สองคนน่แเละพาไปหามไปหามไปฟังถิมไม่ซื่อไม่ฟังไม่จ้าบหามไปโคกไปไกลเทไาไ้พูดล่ะวันนี้ฟันฝากวันรุ่ปึง่ะไกลก็หนักอีกพูดอ่ะแต่มันเล่าละ่ะเึ็นโคก แตฝฟังแบบพรกันว่าไมมีพระไม่เก่าเนานให้นายได้เอา่อไปสักนายกองนแยได้เอาไปกันให้ถูกไปแล้วพอกลับมาก็เลิกงานกันไม่ต้องทางานนั่เว้นถึงคุเพียบแยังไม่เวนู่นเนี่ยจไอ้หนิ่งน่มเนี่ยบ่แต่พอของไปอมัน สองไปแล้วเข้ามี่เข้แก่ตอนี้ได้ห่ด้่้องนั่แก้ได้นั่นก็ทุ่นเข้าเขาสู้พระนแล้วคเาเป็นพระรหันแล้วคนละแั่เขา่เป็นพระหันแนวี่ก็ต้องตามย่ำหนักตามอเสมอว่าแารเป็นพระรหันก็นังตามอยู่ว่าห้ามันตามเพทั้งคิดทั้งใจคนแต่นเป็นพระรหันแบบมันไม่คิเลได้ไะ